ประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มัน่นการนําปฏิปทาของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาลงมากท่านด้วยกันโดยสงวนนามท่านไว้เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควรแต่ของบางท่านก็สัน้นโดยตัดเอาเฉพาะที่จําเป็นมาลงโดยไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตจากท่านก่อน จึงขออภัยโทษ โ, ทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดท่านนักปฏิบัติ ด, ด้วยกันที่ได้นำปฏิปทามาลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตามกลายเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุดดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและครูอาจารย์พาดำเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บ้างไม่งอเข่าเฝ้าร้างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่เปล่ๆ ยังพอมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นการนำปฏิปทาท่านมาลงเพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพระเนนอยู่บ้างดังกล่าวมาปฏิปทานี้เป็นที่ถูกจริต จ, จิตใจท่านผู้ใดในตอนใดกรุณายึดไปปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งโรครุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้าง ส่วนมากก็คือความเห็นแก่ตัวตามนโยบายของกิเลสที่มักพาคนให้เกียดคร้านในการงานที่ชอบและเป็นประโยชน์ในทางสงบสุขไม่กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั่นแหละเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทำแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบทำและเป็นความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นมักชอบอยุเราให้ทาอยู่เสมอทาได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี มันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและตดเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดีคนเราเมื่อมีธรรมะในใจอยู่บ้างย่อมมีทางทราบความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลายฉะนั้นมนุษย์เราจึงดีเพราะธรรมะเพราะความประพฤต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 ยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทําตัวให้เหม็นคลุ้งไปด้วยความประพฤติที่เชื่อเชอญสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ชิบหายวายป่วงทําให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมินหนําเขายิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างไม่หนักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถล่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่หนวงเกินกว่าธรรมดา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 ส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุ้งขจรอยู่ในโลกมีดดยสลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานนี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปนี้เป็นเวลานานเราเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามเจริญนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้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 สำหรับท่านผู้เป็นต้นเรื่องก็รู้สึกลำบากทรมานเหมือนกันทั้งในขณะที่ทาและผ่านมาแล้วเพราะเป็นกิจที่มีควรหลงลืมอย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นกิจที่ออกมาจากใจจริงของผู้ทาแต่ละท่านและเป็นความทุ่มเทกำลังทุกด้านลงแบบไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรือตายในขณะที่ทามุ่งต่อผลที่ตนพึงหวังเป็นที่ตั้งเท่านั้นจึงไม่มีอะไร ที่จะมามีอํานาจเหนือกว่าความหวังในธรรมะเวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุคือถึงใจไม่มีทางําหนิไม่ว่าท่านองค์ใดลงได้ทุ่มเทกาลังกายกำลังใจจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจริงๆแล้วผลที่ได้รับนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงใจจะอย่างไรก็ตามที่ว่าลาบาก ก็ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดมีความเพียรยิ่งกว่าครูหรือศาสดาไปได้เลยอย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่านั้นเฉพาะผู้เขียนไม่มีอะไรทั้งฝ่ายเหตุและผลที่ควรจะนํามาออกหน้าสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้ไดชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นําเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติ ด, ด้วยกันมาลงให้ท่านได้อ่านก็พอแกว่วาสนาของตนอยู่แล้ว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 เพราะความเป็นผู้มีจิตใจสูงแหล่งเห็นประโยชน์แก่่วนรวมจึงกล้าเสียสละทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดทาทุกท่านมาพร้อมนี้ขอความสวัสดีมงคลที่พึงปรารถนาจงเกิดมีแดหม่อมหลวงจิตติบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำสีสัปดาห์ทุกท่านดังใจหมายเถิดหนังสือปฏิปทานี้ หากมีท่านผู้ใดศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาสกรุณาทราบตามนัยยะที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นขังวนในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงระมุงประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพัน จึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วยขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนาจงเกิดมีแต่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกันจบเสียงอ่านหนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระเรียบเรียงโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเสียงงานโดยอริยะคุณจมรมพนดีขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านซึ่งเป็นส่วนสําคัญให้เกิดเสียงงานชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้ละเมียดจังพินิษพนามรักเพชรสเถียรธนนรมคงพิริยาพุทธสุภาพรเทียมบุญประเสริฐรอบครัวลิวสัมฤทธิ์รอบครัวพันเกศมงคล รอบครัวทรงพลรอบครัวหยองเอ็นวิวัตรหยองเอ็นนงรักสุววรอบครัวฮันตรกูลรอบครัวสีดาวเดือนปริชาสีดาวเดือนจินธนาสิงจานุสง์นัฐาการยวงสุวรรณรอบครัวสินพัฒากูลวิไลวันคุณเพิ่มทวีรัตรวมกับอีกหลายท่านดูได้จากรายละเอียดทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต